พระธรรมเทศนาแผ่นที่8ปดลำดับที่สองโดยหลวงพอ่ออินทวายสันตุสโควัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมในวันที่30มสิมิถุนายน2558้าห้าสบมีชื่อเรื่องว่า สองเสริมตนเองให้เป็นคนดีก็พออา้าวศรัทธาญาติโยมอยู่ในความสงบหลวงพอ่อขึ้นมาจากกรุงเทพเมื่อวันที่ยี่สิบแปดหลวงพ่อลงไปวันที่ยี่สิบห้าลงกรุงเทพหลวงพ่อเขาถวายเครื่องเนะย เครื่องดูดเสมหะให้หลวงพ่อนะหลวงพ่อพอได้รับแล้วก็หลวงพ่อก็คิดถึงพออนายูงห้องเราเลยเพราะว่าพวกเราอยู่ในชนนบทแต่เขาก็บอกว่าเครื่องมือตัวนี้ท้อเอามาใช้กับคงจะเป็นวงสาขานายญาติแล้วว่าเป็นญาติผู้ใหญ่พอใช้ได้สองครั้งเหมือนกันก็เลย ไม่ได้ใช้เราจะมาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อก็เลยเออเอาหลับหลวงพ่อก็เลยเอาขึ้นมาเมื่อวานเนะี่ยมาก็เลยจะมอบให้พอ อ, อไปใช้ในโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลนายุงแล้วก็ให้ผู้ถวาย เ, าเครื่องมือแพทย์ให้ถวบุญกุศลมากๆนะผู้เจ้าของผู้ถวายนะหลวงพ่อเป็นผู้รับเป็นสะพานบุญแล้วก็มอบให้ เกิดประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนในชนนบทอย่างอำเภอนายูงของพวกเราอยู่สุดท้ายปลายแดนให้เอานำเอาไปใช้แต่เครื่องตัวนี้หลวงพ่อกลัวที่สุดเนี่ยจะถึงยังไงถวายไปแล้วจะได้มาดูหลวงพ่อกันห <c oughs> ลวงพ่อเห็น เ, เวลาหายใจไม่ออกใช่ไหมะนะเฉลต์มันพันคอเนะโดยมากคนที่สูบบุหรีนะ่ระ ว, วังให้ดีก็แล้วกันนะสูบบุหรี่แล้วเป็น เลดนิ้วเหนียวน่ะพันคอนะเอตาลีตะเลือตาลีตะเลื อ, ต, ล ต, ลอตัวเขียวเขาเ้าไอพยาบาลพวกหมอก็มากับจับสายยาวๆตัวนี้หลแยงแยงเข้าไปไม่รู้ว่าแยงเข้าไปที่ไหนแต่ ว, วันนั้นแยงกับแยงกระดูดแยงแล้วก็ดูดต่งกาะกาะกามันอันแอดูดเลดน่ะเฉล็มันก็เข้ามาในในสายหลวงพ่อเห็นพ่อดูดเข้าไปไอ้คนที่ถูกดูดนะนะกําลังหลับหูหลับตากําลัง จะดิ้นเสะเดือดหลังหลังหลังนี่รลอยออกจากพื้นเลยนะแสดงว่าเจ็บพอจงพวนเหมือนกันแนะออหลังเนี่ยลอยเลยเหมือนกันเห็นที่ไรหลวงพ่อเห็นโอ้โหอย่ามาดูอย่ามาดูเฉลตหลวงพ่อนะว่ะหลวงพ่อกลัวมากเครื่องตัวนี้เหมือนกันเลยเครื่องดูสเฉลต์ที่ว่นนีะแต่ไม่ดูดจะทํำยังไงล่ะเจ๊ดมันหายใจไม่ออกตัวเขี้ยวเขาเลยแมนบ๊อบเออนะหมอว่าแมนเหมือนกันเ น, นี เออหมอกไปแล้วนะเออเอาไม่ เ, เออไปกูไดห้หิวเออเออเอาเล ข, ขาหิวเลยวะม น, นักดอกเมันไม่สายมันไม่สายหิวยู่สายองสายจับโยงสากันตั้งสองขา เ, เออวันนี้เป็นวันพระเดือน เดือนเจ็ดเพแต่ตามันจริงมันเดือน8ดเพนเพราะมัปีนี้มันแปดสองหนเป็ว่าแปดเพนหน้าเนี่ยเป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันอัศรหาบูชาเป็นวันแรมค่ำหนึ่งเป็นวันเข้าพรรษาแต่เดือนนี้เป็นถ้าปีตัปีก่อนๆนะเป็นวันนี้แหละลูกหลานวันพุ่งนี่แหะเป็นวันเข้าพรรษาหล่ะแต่ปีนี้มันเป็นแปดสองหนแปดสองครั้งอ่า เลยวันนี้เป็นวันเดือนเจ็ดเพนวันนี้เป็นวันพระใหญ่แล้วก็เห็นพี่น้องประชาชนลูกหลานนักเรียนมาทำบุญตักบาตรแล้วก็เห็นตำรวจ อ, อำเภอนายูงของเราท่านผู้กํากับเป็นประธานวันนี้แต่งชุดตำรวจเห็นดวงเห็นดาว เ, เต็มไปหมด ทีมาร่วมศาลาของพวกเราพร้อมกับพี่น้องลูกหลานหลวงหลวงพ่อเห็นแล้วก็ปลื้มใจแล้วก็หลวงพ่ออยากจะให้พวกเรามาถึงวัดแล้วก็อยากจะให้มีศาสนพิธีคือมีมีการไหว้พระและก็สมาฐ า, านศีลห้านะเพื่อเป็นจิตจะลักษณะให้เป็นถ้าหากว่ามาแล้วก็ไม่ได้มีอะไร <c oughs> พวกเราก็คิดว่าไม่มีอะไรแต่ตามเป็นจริงทางว่าพวกเราได้ศึกษาในห ล, ลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็การรักษาศีลคือวิรัตเจตนา ว, วิรัตเจตนาครๆว่าตั้งใจจะทํามานจะธมาทานศีลก็เป็นศีลแล้วนะไม่ต้องรับกับพระก็ได้แต่นี่พวกเราเพิ่งเข้ามาศึกษาใหม่ก็ควรจะรับกับพระเป็นกิจจะลักษณะ เพื่อจะได้เป็นเครื่องกระตุนเตือนจิตใจของลูกของหลานทุกคนเพราะว่าวันนี้เป็นวันพระเป็นวันเดือนแปดเพนของพวกเราเอาต่อไปให้ผู้หมวดติดเป็นผู้พานาไหว้พระแล้วก็สมาทานศีลอีมินาสกาเลนา ตั้งใจสมาทานศิลก่อนที่จะสมาทานศิลลูกหลานที่เป็นนักเรียนเข้ามา <c oughs> สู่วัดของหลวงพ่อหลวงพ่อจะอธิบายแนะนำเรื่องของศิลให้กับลูกหลานให้ได้ทราบศิลมีคุณค่ามีคุณค่าย่ <c oughs> า, ยยางไร <c oughs> มีประโยชน์อย่างไร ต่อพวกเราทำไมพวกเราจรึงสมาธานศีลพระพุทธเจ้าพระหันธัสาวกคนในยุคเก่าแก่ดึกดำบรร 2,558 ปียอมรับว่าศีลและธรรมศีลห้าเป็นศีลคุ้มครองโลกถ้าหากว่าโลกยุคใดสมัยใดคนในยุคนั้นสมัยนั้นมีศีลห้า โลกในยุคนั้นจะร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้ากันอันนี้คือยอมรับกันมาเป็นทอดๆแต่ผู้ที่ไม่อยอมรับก็มีแต่ว่าผู้ที่ยอมรับอย่างพระสงฆ์หรือว่าพุทธศาสนิกชนลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธบริษัทคือบริษัทของพระพุทธเจ้ายอมรับกันทั่วนหน้าเพราะว่าศีลจรธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศีลที่มีคุณค่าจริงพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เป็นนิยานิธรรมถ้านำไปผู้ประพฤติปฏิบัติให้เว้นจากความชั่วได้จริงเพราะนั้นศีลห้าของพระพุทธเจ้าที่พวกเราจะสมาทานถ้าพวกเราคิดดูให้ดีแล้วพวกเราจะเห็นว่ามีคุณค่าจริงจังแต่พวกเราจะรับเบื้องแรกหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานศีล หลวงพ่อจะกล่าวนัว่านัาโมซะก่อนนัโมนี่ก็ให้พวกเราเราลึกถึงผู้มีอุปกรณคุณประวัติศาสตร์อย่างประเทศช า, ชาติชาติไทยของเราเป็นมาอย่างไรไม่ใช่ว่าเกิดมาในเดี๋ยวนี้คือชาติไทยไม่ใช่เขาปกป้องประเทศชาติมาเท่าไหร่เอาเลือดเนื้อเสื้อไขทาแผ่นดินรบราฆ่าฟันมาเท่าไหร่จึงมาถึงพวกเรา แต่พวกเราไม่ได้คิดถึงเขาเหล่านั้น เ, เราก็คิดอีกแบบหนึ่งอีกก็ไม่ได้เอ้อเอาจะรักษามาให้โง่ทําไมฮะเมื่อเมื่อเรามาอยู่จุดนี้เลยมันเป็นจุดของเราเราคิดได้เพียงแค่นี้มันก็ไม่น่าจะถูกเพราะนั้นในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ระลึกถึงบุญคุณระลึกถึงประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ก็คือเนี่ยก่อนที่เราจะมาสมาทานศิน เลยก่อนที่เราจะ <c oughs> ทำพิไยกรรมสังฆกรรมต่างๆลงอุโบสถสวดมนต์ไหว้พระถวายสังฆทานถวายทำบุญหรือว่าสมาทานศีลอย่างนี้เราก็ต้องว่านโมซะก่อนณนโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะข้าพปเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ในี่ยหลยลึกถึงประวัติศาสตร์คือ ส, าา ส, สินห้าเป็นศิลของพระพุทธเจ้าบัญญัติขึ้น <c oughs> บัญญัติขึ้นมาแล้วพวกเราทั้งหลายเห็นคุณค่าว่าศินของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจริงถ้าสมาทานลงไปแล้วทุกคนสมาทานแล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นจุขเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบัญญัติศินห้าขึ้นมาให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติเป็นผู้มีพระคุณเพราะนั้นพวกเราจึงนอบน้อมนะโมตัสสะ ข้าพเจ้าขอนอบน้อมต้นความทิด ต, ต้นตระกูลต้นความคิดนี้ที่ให้พวกเราได้ประพฤติปฏิบัติยืนยันทั้งสาครั้งอีกด้วยนะนโมตสัสสนโมสามครั้งนโมสามจดจากนั้นกพุทธทังธทำมัาางสังขังสระนางคัตฉามิข้าพเจ้าขอถึง <c oughs> พระพุทธทเจา้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระนะเป็นที่พึ่งพุทธทังคือพระพุทธทเจ้าเป็นผู้รู้ดี รู้ดีรู้ชอบด้วยพระ อ, องค์เองจากนั้นประกาศพระพระธรรมพระธรรมคือคําสอนของพระพุทธเจ้าก็คือศี่ห้านี่ยก็คือพระธรรมคําสอนแหละคําสอนของพระพุทธเจ้าสามครั้งก็คือพระสงฆ์สาวกที่นําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าออกมาประกาศเผยแผ่ให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาเพราะฉะนั้นพวกเราจึงยึดว่าเป็นผู้มีพระคุณทั้งสาม สามรัตนะคือพุทธังคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองแล้วก็ประกาศพระธรรมคือคําสอนออกมาแล้วก็พระสงฆ์นําพระธรรมคําสอนออกของพระพุทธเจ้าออกมาบอกกล่าวให้กับพวกเราพวกเราจึงยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง เ, ออเป็นผู้มีพระคุณสําหรับเราจากนั้นก็ดุติยำปีขอยืนยันเป็นครั้งที่สอง ตติยามปิผู้ทงางธรรมังสังขังยืนยันเป็นครั้งที่สว่าจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นกะกล่าวเป็นองค์ศินลยเิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิฆ่าไปเจ้าจงงดเว้นในการฆ่าการฆ่าคนอื่นเขาใช่เราฆ่าคนอื่นเขาเราก็ฉลาใจพอฆ่าเขาเขาจะเจ็บจะปวดเราเราไม่รู้ว่าเขาจะเจ็บปวดยังไง แต่เมื่อเขามาฆ่าเราเรารู้แหละ เ, เขามาทุบมาตีมาทิ่มมาแทงเราเมาฆ่ามาฟันเราเรารู้สึกล่ะมันเจ็บปวดขนาดไหนทนทุกทรมานขนาดไหนเรารู้นะรายนั้นพระพุทธองค์ท่านรู้ทั้งสองฝ่าย เ, เมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็ทนทุกทรมานเจ็บปวดทุกใจเสียใจทุกใจในเมื่อเขามาฆ่าเรา เราก็เสียใจทุกใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นอย่าฆ่ากันให้ครบสิทธิ์ซึ่งกันละกันให้เป็นคนดีสรุปแล้ว อ, อ, อย่าเบียดเบียนซึ่งกันละกันอันนี้ก็คือสินข้อที่หนึ่งคือปานาอธินาทานเหมือนกันอันนี้อธินาทานาเว ร, รมะนีอย่าขาโมยคนอื่นเขาของเขาเขาก็รักสมวนห่วงแหนของเขาถ้าของเราก็เช่นเดียวกัน เราก็รักสงวนหวงแหนเช่นเดียวกันถ้าเราไปขโมยของเขาขาโมยพ่อแม่พี่น้องของเขาลูกเ อ, อสามีภรรยาของเขาไปเรียกค่าไถ่เขาเสียใจไหมไปขโมยของเขาเขาเสียใจแต่เขามาขาโมยของเราละ่ะเราก็เสียใจเช่นเดียวกันใช่ไหมใช่เราก็เสียใจเพราะนั้นพระพุทธเจ้ามองเห็นว่าการขาโมยกันมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่ขโมยของเล็กๆน้อยๆ มันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยทําให้คนอื่นเสียใจถ้าเขามากับทํากับเราเราก็เสียใจเพราะนั้นอยา่าขโมยกันสรุปแล้วให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้คือสินข้อที่สองข้อที่สากาเมสุมิจฉาจาราเว ร, รมณีสามีภรรยาลูกหลานของใครของเขาเขาก็รักสงวนห่วงแหนเราไปล่วงล้ําเขาเขาไม่พอใจเขาก็เสียใจ ถ้าเขามาทำกับเราตระกูลของเราพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราวงสาคนาญาติของเราเราก็เสียใจในเมื่อเราไปทำให้กับเขาเขาก็เสียใจแต่ถ้าว่าไปสู่ขอตามประเพณีอันนั้นคือประเพณีอันดีงามก็มีอยู่แล้วแต่ถ้าเราไปทำออกนอกลูก่นอกทางผิดกฎหมายนั่นแหละเขาก็เสียใจเราก็เสียใจในเมื่อเขามาทำกับเราเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน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 การดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทคนที่ดื่มสุราและเมลัยเมลัยก็คือเบียร์นะสุราก็คือเหล้าคัญชายาฟินเฮโรอีนโคเคนมีเยอะแยะทุกวันเนี่ยเพราะโลกเจริญมันก็นั่นนะเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้เสพได้ดื่มเอ่อได้สูบได้ดูดอะไรมันมีมากมาย สรุปแล้วก็คือเมื่อเสพและดื่มอะไรก็ตามเข้าไปแล้วขาดสติในเมื่อคนขาดสติและทำความชั่วเสียหายได้ทุกอย่างฆ่าใครก็ได้ก็โมยใครก็ได้ลาลาบละ ล, ลวงสามีภรรยาลูกหลานใครก็ได้โกหกใครก็ได้เพราะคนขาดสติเพราะฉะนั้นคนดีๆทําไมจึงให้ขาดสติเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงบัญญัติอย่าเสพดื่มในของที่มึนเมาและขาดสติ พราขาดสติแล้วทำความชั่วเสียหายถ้าเราขาดสติแล้วไปทำให้พ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายขับรถไปเฉี่ยวชนคนอื่นเขาเขามีความรู้สึกอย่างไรถ้าเขาขาดสติแล้วมาทําให้กับเราเรามีความรู้สึกอย่างไรนั่นแหะเสียความรู้สึกด้วยกันทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นเรื่องศีลธรรมศีลห้าของพระพุทธเจ้าพวกเรานํามาคิ ดูสิมีคุณค่ามีประโยชน์ไหม เ, เพราะนั้นให้พวกเรานึกดูให้ดีสรุปแล้วก็คือสินของพระพุทธเจ้าเอาหัวใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าเราไม่อยากจะให้เป็นอย่างนั้นเราอย่าทำให้คนอื่นเขาถ้าทำให้คนอื่นเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทำให้กับเราก็เราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันเพราะนั้นให้เขารบสิทธิ์ซึ่งกันและกันฮะ อย่างที่หลวงพ่อเคยพูดอย่างขายยาบ้ายาม้าเหมือนกัน่ะอถ้าคิดดูให้ดีแล้วหลวงพ่อว่าอืมทางลู ก, ลกสามีภรรยาลูกหลานของเราติดอยาเสพติดอย่างนั้นเข้ามาแล้วเป็นยังไงพ่อแม่หวาดผาวาไปหมดเลยทั้งตระกูลเลยหาความสุขไม่ได้แล้วคนอื่นเป็นละ่ะเขาคงจะเช่นเดียวกัน เ, เพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันสิ่งไหนที่มันไม่ดีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมควรจะเคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกันนี่แหละ ศีลและธรรมของพระพุทธเจ้าที่หลวงพ่อได้กล่าวให้ลูกให้หลานให้คณะจัตฐานญาติโยมได้ฟัง เ, เป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นแบบฉบับ เ, เป็นบรรทัดฐานของคนดีเพราะนั้นขอพว ก, พวกเราท่านหลายลูกหลานท่านหลายอยากจะเป็นคนดีใครมีศีลและธรรมอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนั่นแนหะคนดีการทําคุณงามความดีให้นับหนึ่งให้นับหนึ่งจากข้าพเจ้าให้นับหนึ่งจากตัวของเรา ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีคิดดีทดําดีพูดดีทําดีก็คือสินห้นี่แหละนะพูดดีก็คือสินข้อที่สนะไม่โกหกต้มตุลหลอกลวงนี่แหละอันนี้เป็นคนดีเป็นพื้นฐานของคนดีเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะัดทายาจมทุกทุกท่านนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ฟังเป็นจริยธรรมพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะ อตอนนี้ไปหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำสมาทานสี น, นันทเนนะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะในภูติงยันติตัตสมาสีหลังวิโสธาเยา เ, เมื่อพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเสร็จเรียบร้อยแล้วลูกหลานให้ทานอาหารเพระเ่ต้องรีบต้องรวงนะวันนี้ มาวัดแล้วเป็นมาศึกษาวิชาขแขนงหนึ่งเหมือนกันนะลูกหลานวิชาศิลธรรมนะคนที่มีศิลธรรมแล้วอยู่นัดสานที่ใดร่มเย็นเป็นสุกหมดนะถ้าคนไร้ศิลธรรมแล้วอยู่ที่ไหนเดือดร้อนวุ่นวายไปทุกหัวและแห่งเพราะว่าคนขาดศิลธรรมพวกลูกหลานมารักษามาหาศึกษาเรื่องศิลธรรมแล้วก็ น, นาไปประพฤติปฏิบัตินะ <c oughs> ะวันนี้เป็นวัน ที่สามสิมิถุนายนพุทธศักราชสองันห้าร้อยห้าสิบแปดวันเป็นวันขึ้นสิบภาคค่ำเดือนแปดต้นพอปีนี้เป็นแปดสองหนแล้วก็พระในวัดของเราทั้งหมดมีอยู่สี่สิบเอ็ดองค์ณวันนี้นะ <c oughs> แล้วก็อีกจากนี้ไปนะลูกหลานคณสัตยาิโจมทุกทุกท่านจากนี้ไปอีก <c oughs> หนึ่งเดือน จะเป็นวันเข้าพรรษาของพระเป็ว่าเดือนแปดเพนหน้าพอเดือนดับแล้วก็เดือนเพนหน้าหนึ่งเดือนเป็นวันเข้าพรรษาคือแรม <c oughs> แรมหนึ่งค่ำเป็นวันอธดิฐานพรรษาสิบห้าค่ำเป็นวันวันอาสารหาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์คบพระไตรสรณคม เลียว่าวันอัสสรหะบูชาแต่วันต่อไปถัดไปน่นวันแรมหนึ่งข่ำเป็นวันอธิษฐานพรรษาของพระสงฆ์แต่ตามไม่จริงวันอธิษฐานพรรษาของพระสงฆ์เนี่ยก็ไม่เกี่ยวับเปล่าเกี่ยวไม่เกี่ยวกับศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทเพราะเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์สา ม, มนเณรจะต้อง อธิษฐานพรรษาในช่วงเข้าพรรษาเทศกาลเท่าเข้าพรรษาสามเดือนแต่สำหรับศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัทตามไม่จริงในสามเดือนที่พระสงฆ์เข้าพรรษาเนี่ยสาเหตุเข้าพรรษาเพราะอะไรก็เพราะว่าในครั้งพระพุทธเจ้าพระสงฆ์มากเป็นหมื่นเป็นแสนแต่พอเทศกาลในหน้าฝนเนี่ยพระสงฆ์บางทีก็ ไปเที่ยวทุ่งไปทีาา่ยห้าร้อยที่ยวพันสี่ห้าสิบรปูปร้อยสองร้อยรปูปชุดแท้แต่ท่านจะไปแต่ที่ท่านก็ไปเข้าไปในสวนพระกระโดโดมากเป็นพระในเมืองออไม่รู้จักผลของการเกษต ร, รเขาเป็นยังไงไปเห็นพวกฟักแฟงแตงกวาของเขาขอขาขอกครบลูกขึ้นมาพระสงฆ์ก็เดินเหยียบย่ำไปก็ทําให้ วัชพืชหรือว่าฟักแฟงแตงกวาเขาน่ยเหยียบเครือเขาเทาวันเหล่านั้นมันก็ตายแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปเหยียบพันไร่พันนาเขาอีกพระเป็นร้อยทํำเหยียบพันนาก่อนแหลกไปเอกเหมือนกั น, น, น, าากกกนชาวบ้านเขาก็เลยติเตียนบอกว่าอึ้งสมณะสากยบุตรเที่ยวทั้งแรงทั้งฝนหน้าฝนน่าจะหยุดได้แล้วแต่พวกสัตว์สาราสิงเขาก็ยังมีรวงมีรังมีรูมีโพรงหลบ ฝนแต่ส ม, มณะศักสาคยะบุตรไม่มีแรงไม่มีฝนเพีผ่านอยู่ตลอดในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงทราบอย่างนั้นพระสงค์กราบทูลพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ว่าใช่พระพองค์ก็ไดยบัญญัติวินยัยตั้งแต่เดือนแปดเพนไปให้ภิกษุจําพรรษาห้ามไปที่อื่นจนถึงเดือนสิบเอ็ดเพนถ้าหากว่าเที่ยวทุรง อย่างเก่าปรับอบัติทุกกฎถ้าจะไปก็ไปด้วยสัตตหะกรณียะไปได้เจ็ดวันพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยพ่อแม่ล้มหายตายจากหรือว่ามีอะไรกิดนิมนต์ไปได้เจวันแต่ให้กลับมาให้กลับมาแล้วก็ยังค่อยไปอีกไปยุบรักษาราตีหนึ่งเช่นก่อนแล้วก็ปรับกลับไปอีกถ้าหาว่าไปเกินเจวันปรับอบัติอันนี้ก็คือพระวินัยของพระพุทธเจ้าในครั้งนั้นนะ แต่ในสำหรับศรัทธาญาติโยมล่ะศรัทธาญาติโยมในสามเดือนนี้เราจะทำอย่างไรหลวงพ่อก็เลยบอกว่าเนี่ยอีกจากนี้ไปหนึ่งเดือนเราควรจะวางแผ่นนะวางแผนฆ่ากิเลสฆ่าความชั่วในจิตใจของเราฆ่าสิ่งที่มันไม่ดีในใจของเราเอาเถอะ เ, เราติดบุหรีม า, มามากต่อมากแล้ว เ, เราก็พยายามจะถอย แต่บุหรีคู่วันกับแพงอีกต่างหากเป็นเงินเท่าไหรแต่ละเดือนเพิ่วเวันละสองเป็นเท่าไหร่โดยไร้ประโยชน์แล้วก็ทันเป็นโทษกับตนเองอีกต่างหากัและของบุหรีสูบในที่มุมอับในห้องทำให้คนที่อยู่ใกล้ชิดเป็นโรคภัยใกล้เจ็บขึ้นมาอีกต่างหากเพราะสูดสูบกินบุหรีเข้าไปบางคนก็แพ้ควันบุหรีอีกต่างหากเอาเถอะในเมื่อเรา คนทั้งโลกเขาคนที่รอบด้านโดยมากเขาไม่ยอมรับอย่างนี้เราควรจะหยุดจะนี่แหละให้เราเริ่มต้นตั้งแต่บัดนี้ตั้งแต่ได้ยินเสียงหลวงพอนะ่อสามเดือนแนละ้วเราพยายามผ่อนผ่อนผ่อ น, อนนะอันนี้ก็คือการวางแผนฆ่ากิเลสในจิตใจของเราพอถึงวันข้าพรรษาค่าพเจ้าจะงดสูุ่ริตโดยเด็ดขาดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นี่แหละอันนี้คือคือการวางแผนกาจัดสิ่งที่มันไม่ดีในตัวของเราจากนั้นก็ใครติดบุหรี่ติดเหล้าติดเบียก็เอางดข้าไปเจ้าจะงดเด็ดขาดในพรรษานี้เข้าไปเจ้าจะไหวพระทุกวันไม่ให้ขาดในพรรษาใน阿拉หังสวากาโตสุปฏิปนุพ้าพิเจ้าเป็นพุทธศาสนิกชนกระจริงอยู่แต่ไม่ได้ทำหน้าที่พุทธศาสนิกชน ให้ดีเพราะฉะนั้นในพรรษาเนข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันตื่นนอนขึ้นมาข้าพเจ้าจะไหว้พระทุกวันก่อนที่จะไปทําการทํางานหรือข้าพเจ้าจะนั่งสมาธิทุกวันวันละ30นาทีวันละหนึ่งชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงเราจะทําประกอบคุณงามความดีสักหนึ่งชั่วโมงได้ไหมเฮสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราคณะศรัทธาญาติโยมพุทธบริษัท ของพระพุทธเจ้าประกอบคุณงามความดีส่วนฝ่ายพระสงฆ์ก็เช่นเดียวกันเมื่อเข้ามาอยู่ในวัดวาสานาเมื่อเข้ามาบวชจำพรรษาแล้วข้าพเจ้าจะใน เ, เอาในเนชเช็ทุกวันพระหรื อ, อทุกวัน8ปดค่ำส15้าค่ำเดือนหนึ่งสี่ครั้ง8ครั้งเราก็ว่ากันไป แล้วก็จะนั่งภาว น, นาวันละกี่ชั่วโมงเดินโยกรมวันละกี่ชั่วโมงเนี่ยให้กําหนดกฎเกณฑ์สําหรับใส่ตนเองหรือเราจะท่องพระปฏิโมกให้ได้ในพรรษานี้ซึีงเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของทุกคนไม่ว่าจะฆราวาสญาติตยาโยมไม่ว่าจะพระสงฆ์ควรจะขันสนอในสมเดือนถ้าวันเราเอาเป็นปีมันก็จะมากเกินไปเอาสามเดือนนี่แหละหรือเอาเดือนใดเดือนหนึ่งก็ได้ ข้าพเจ้าจะรักษาสินหาเดือนหนึ่งเดือนแรกทดลองดูบังคับดูถ้า เ, เดือนที่สองไอ้อไท่นะคะ่เดือนที่สามไอ้ทั้งสามเดือนก็นดีมากในเมื่อออกพรรษาแล้วเราประกอบคุณงามความดีออกพรรษาแล้วเราจึงขอพรจาก พ, พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะ เ, เราจึงค่อยขอพร ข้าพเจ้าประกอบคุณงามความดีโดยสม่ำเสมอบัดนี้ข้าพเจ้าขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ขออ a m h อวยพรให้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าต้องการความสุขความเจริญอย่างนี้อย่างนี้เ้วจึงขอพรอนะไม่ใช่ว่าเราทําไม่ได้ทําคุณงามความดีอะไรเลยจากนั้นก็ไปจะไปขอพรหัววั ด, ว ด, ว ด, วดหัวเวียงเพอเพอกินเหล้าไปอีกต่างหากเข้าวัดไปขอพร จะได้พรได้ยังไงตัวเองไม่ได้ทําความดีต้องทําความดีซะก่อนจึงขอพอรพรนั้นจึงประสิทธตประสาทให้กับพวกเราคณะสัทธาญาติโยมลูกหลานเพราะฉะนั้นในพรรษาเนี่หลวงพ่อเองอยากจะให้พวกเราโอปัญิโกมองตัวเองไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราว่าในตัวของเราตัวของข้าพเจ้าเองจุดไหนที่มันเป็นจุดอ่อนที่ข้าพเจ้าจะกําจัดได้ได้ยากมาก สิ่งที่มันชั่วสิงที่มันไม่ดีอยู่ในจิตใจของเราข้าพเจ้าจะกำจัดจิตนั้นในตัวของข้าพเจ้าในพรรษานี้นั่นแหละอยากจะให้พวกเราทุกๆท่านมองตนเองดูตนเองไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราการพูดก็ดีการแสดงออกก็ดีการแนวความคิดก็ดีสิ่งไหนจะคิดไม่ดีในพรรษานี่ยเราจะคิดจะหยุดคิดในเรื่องนั้น เราจะหยุดทาหยุดกระทาในเรื่องนั้นเราจะหยุดโทษในเรื่องนั้นพยายามนั่นแหะเมื่อเราพยายามปรปับปรุงกายวาจาใจของเราให้เป็นคนดีต่อไปเราก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆเลเพรา ะ, ะนั้นขอฝากไว้กับขรรชต า, าญาติโยมลูกหลานทุกคนนะจากนี้ไปหนึ่งเดือนพวกเราควรจะวางแผนควรจะดูตรวจตราดูตนเองในปรรษาที่จะถึงนี้ เราจะประกอบคุณงามความดีอะไรบางคนก็ข้าพเจ้าจะทําบุญทุกวันไม่ให้ขาดใชบาต ท, ทุกวันไม่ให้ขาดอย่างนี้ เ, เพราะมีการทําทานข้าพเจ้าเห็นคุณค่าในการทําทานแล้วจะไปทํำยังไงหลวงพ่อบางทีก็ยกิจโทรละบ้างนอนตื่นสายบ้างอย่างนี้หนะลวงพ่อบอกว่านี่หยอดกระปุกก็ได้นะสมมติว่าเราเคารพนับถือครูบาอาจารย์ท่านองค์ใด เราก่อนเนี่ยหย่อนกระปุกลงไปเออวันนี้เราจะทาําบุญก๋วยเตี๋ยวถวายพระสงฆ์ห้าถ้วย5องค์หรือสีองค์ถ้วยละเท่าไหร่เราก็หย่อนลงไปวันพระเนี่ยหรือวันอาทิตย์เนี่ยเรือว่าวันนี้เราจะถวายกล้วยหอมอสี่ใบห้าใบราคาเท่าไหร่เราก็หย่อนกระปุกลงไปเอเอวันนี้เราจะถวายกาแฟหรือโกโก้หรือนม กี่กองกีกระป๋องเราก็ใส่เท่าราคานั้นลงไปในเมื่อออกพรรษาแล้วเราก็ค่อยไปนำไปถวายครูบาอาจารย์ที่เรารักครบนับถือเลื่อมใส อ, อ, อันนี้เป็นการทำบุญของกระผมในพรรษานั้นล้วนแล้วจะเป็นบุญเป็นกุศลสำหรับเราเพราะว่าอันนี้สงในการทำบุญทำทานพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านไม่ให้มองข้ามนะท่านให้ทาทาน อย่างเมื่อวานก็เหมือนกันหลวงพ่อทอดผ้าป่าสามักคีที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรโอ้พี่น้องชาวดอดรล้นหลามนะเยอะจริงๆหลวงพ่อเห็นในกรุงเทพหลวงพ่อไปที่สวนแสงธรรมอาทิตย์สุดท้ายของเดือนอมิถุนาวันที่24หลวงพอ่อเคคิดว่าโอ้โหจนหลวงพ่อบินทะบาไม่สุดสายวันนั้นเพราะเหตุไรปวดฉันยาระบาย มันจะทะลักออกมาหลุงพ่อก็เลยไปได้ไปได้ประมาณาประมาณสี่ส่วนหนะลุงพ่อไปได้สามส่วนยังเหลืออีกส่วนนะ้งบินทะบาทไม่สุดสายข อ, อขอปีกเข้ามาในห้องน้ำนะขนาดนั้นก็เหงือ่อแตกเหงื่อไหลแหคนเยอะแต่พ อ, อามาเห็นเมื่อวานนะี่ที่อุดรโ อ, อ้โหเยอะกว่า น, นั้นอีกทีไงนะโอ้โหถ้าหากว่าพูดอีกแบบชาวบ้านเพราะว่าหนีเสือมาเจอมาเจอจระเข้แล้ว เมื่อวานเนี่นยเยอะจริงจริงทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อหาทุนสมทบทุนดูแลพระสงฆ์อาพาธโรงพยาบาลอุดรธานีพระสงฆ์ทั้งหมดก็่าเก้าสิบพว อ, องค์เมื่อวานเนี่ยหลวงพ่อในกลุ่มของเรานคณะสัทธาติโยมวัดของเราหลวงพ่อก็ได้รวบรวมจิตตปัจจัยเพื่อบำรุงสงฆ์อาพาธเป็นส่วนกลางนะ หลวงพ่อก็ได้รวบรวมถวายเป็นส่วนกลางเดิวมาวานนี่ยสอง0 0 0สองแสนบาทเมื่อวานเป็นปัจจัยของคณะสัตย า, าติโยมทุกคนถวายหลวงพ่อมาต่างกลัมต่างวาระหลวงพ่อก็รวบรวมได้แล้วกันนถวายเป็นให้ดูแลสงอาพาทเมื่อพระสงฆ์เข้าไปเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้พยาบาลหมอดูแลพระสงฆ์อาพาธพวกเราก็นี่ยแะ พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าถ้าหากว่าผู้ใดอยากจะปฏิบัติเราตถาคตอุปถัมปะถาเราตถาคตให้ปฏิบัติภิกสุข้เพราะนั้นเร า, เ อ, าอยากปฏิบัติพระพุทธเจ้าเนี่ยรเราก็รวบรวมจตุปัจจัยร์ให้แพทย์ให้หมอให้ดูแลพระสงฆ์เมื่อดูแลพระสงฆ์เหมือนกับเราได้ดูแลพระพุทธเจ้าเนี่ยอุปถัมปะถาพระพุทธเจ้าพระสงฆ์ท่านหายจากโรคาพยาธ โรภคภัยไข้เจ็บแล้วท่านก็ได้ประกาศเผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะนั้นพวกเราจึงได้รวบรวมจิตตุ ป, ปัจจัยถวายร่วมสมทบดูแลสงอาพาดเพราะนั้นให้คณะสัทธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนอนุโมทนาเนะ้อหลวงพ่อทาบุญก็ให้กับโรงพยาบาลอุดรโรงพยาบาลศูนย์อุดรเมื่อวานนี้นะนี่แหละสรุปแล้วก็คือการสร้างบุญสร้างคุศน จะอยู่ในระดับไหนเออสําหรับหลวงตาเองเห็นไหมหลวงตาทั้งก็เออช่วยโรงพยาบาลช่วยลงเรียนช่วยส่วนรัฐการมากมายหลายหลายอย่างสรุปแล้วก็คือใหญ่ที่สุดก็คือช่วยชาติเออปีสามสิบเกออสาสเก้าสี่ศูนย์เศรษฐกิจเมืองไทยของเราย่าแย่หลวงตากระโดดออกไปเออจากป่ารงพงภัยประกาศ หาทุนเพื่อช่วยชาติได้ทองคำถึง13ตัน13ตันกับ3 0 0 0นสนกิโลนะแล้วก็ดอลลาร์อีก10ล้านกว่าดอลลาร์เอาเข้าคลังหลวงทั้งหมดคลังหลวงเป็นของใคร เ, เป็นของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นของของเราทุกคนถ้าหาวัาทองคำอยู่ในในท้องบะคขังแล้วเราจะพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้ ทองคำเนี่ยเป็นเครื่องประกันเป็นโฉนดประกันให้มีธนบัตรที่เราพิมพ์มีคุณค่า น, ะนี่แหละหลวงตาในี่คิดไกลถึงขนาดนั้นละลูกหลานเพราะนั้นพวกเราอยู่ในประเทศไทยพื้นแผ่นดินไทยพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ได้พี่น้องประชาชนจัทธาญาติโยมก็อยู่ได้สถาบัน3าสถาบันหลักก็ต้องอยู่ได้ด้วยกันเพราะเหตุใดเพราะ ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นส า, สามขาอย่างค้ำประเทศชาติบ้านเมืองให้อยู่เย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นพวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนับว่าเป็นผู้โชคดีมากๆนะทุกหลานน ะ, เ, ะนะเกิดมาโชคดีเราอย่าไปทําร้ายทําลายประเทศชาติให้ส่งเสริมอันไหนเป็นดีส่งเสริมยังไงหลวงพ่อไม่ต้องส่งเสริมที่อื่นหรอกส่งเสริม ข้าพเจ้าจะเป็นคนดีคิดดีทําดีพูดดีเท่านั้นแหะต่างคนต่างทําดีนั่นแหะคือส cool ่งเสริมประเทศชาตินะถ้าพวกเราคิดชั่วทําชั่วพูดชั่วสิ่งที่มันชั่วและทํำลงไปนั่นแหะทําร้ายทําลายประเทศชาติบ้านเมืองเพราะฉะนั้นประเทศชาติบ้านเมืองอยู่กับทุกคนถ้าทุกคนทําดีท่านั้นหละเป็นการส่งเสริมประเทศชาติร่มเย็นเป็นสุขทั่นหน้ากันเพราะนั้นการส่งเสริมประเทศชาติและการ ให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขไม่ต้องส่งเสริมที่อื่นส่งเสริมพวกเราท่านทั้งหลายให้เป็นคนดีสรุปแล้วนะดีรู้ไหมดีดีคืออะไรดีถ้าไม่รู้จักดีไม่รู้จักชั่วก็ไม่รู้จะพูดังไงอีกต่อไปนะถ้ารู้จักดีดีคืออะไรถ้ารู้จักดีแล้วก น, นะทาแต่คำความดีเมื่อทำความดีทุกทุกคนทำแต่ดีประเทศชาติก็จะร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้า อตอนนี้ไปพระสงฆ์จะอนุโมทนาให้พอนะทงนี้นะลูกหลานนะ